พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่หมิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าให้มุ่งมั่นมันจึงจะเห็นผลวันนี้เป็นวันที่ห้า มิถุนายนพุทธศักราช 2,557 วันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน7เป็นวันพระขึ้น8ค่ำตามไม่จริงช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วปีนี้รู้สึกว่าฝนมายังน้อยอยู่ฝนยังน้อยอยู่ คงจะให้โอกาสหลวงพ่อลอกสระน้ำก่อนมัง้งทหารกำลังมาลอกสระน้ำเกือบสองอาทิตย์แล้วลอกสระน้ำของหลวงตาหลวงตามาขุดสระไวเ้เมื่อ10กว่าปีให้หลังนกเป็ดลงเป็นพันๆแต่ละปีแต่เมื่อปีที่แล้วมาถึงปีนี้รู้สึกว่าน้ำแห้งขอด หลวงพ่อก็เลยพอหลวงตาจากไปน้ำในสระก็แห้งไปด้วยหลวงพ่อก็เลยได้ขอร้องทางหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่กรรปกลางเก่านะมาลอกสระตอนนีก้กำลังขุดขนกันอุดตลุดอยู่ขุดให้ลึกลงไปเพื่อให้เก็บน้ำให้ได้ให้อยู่น้ำวันนี้เป็นวันพระ พวกเราคณะจธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าทุกท่านในเมื่อมาถึงวันพระเช่นนี้แล้วนะถ้าไม่มีกิจธุระภาระที่หนักหนาจนเกินไปก็ควรเสียสละมาบำเพ็ญบุญกุศลมาบำเพ็ญคุณงามความดีบำบำเพ็ญเรื่องศีลสมาธิปัญญา ของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติเอาไว้เพราะเราเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาที่เราน้อมลำเลื้กถึงเรียว่ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งควรจะประกอบคุณงามความดีในวันเช่นนี้เพราะนี้เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเรื่องศีลธรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจ แต่ทรัพย์ภายนอกที่เราแสวงหาปัจจัยสี่นั้นเป็นทรัพสมบัติเป็นที่พึ่งภายนอกแต่เมื่อพึ่งภายนอกอุดมสมบูรณ์พอเป็นไปได้แล้วก็ควรแสวงหาเป็นที่พึ่งภายในที่พึ่งภายนอกกับที่พึ่งภายในมันก็เกี่ยวเนื่องกันเอื้ออาทรต่อกันเหมือนกับ เปลือกกับพีกับแก่นลักษณะอย่างนั้นอ่ะเราจะไปเอาแต่แก่นอย่างเดียวก็ได้มาบวชจะในพระพุทธ ศ, ศาสนาไม่ต้องมุ่งหวังอะไรทั้งหมดชีวิตทิ้งทุ่มลงเพื่อการบมเพ็ญจิตภาวนาอันนั้นเพื่อเอาแก่นโดยตรงถ้าเรายังอยู่ในโลกยังไม่ตัดขาดทางโลกเราก็ต้องทำสสแสวงหาทางโลก แต่อย่าไปทิ้งทางธรรมมากเกินไปแต่โดยมากถ้าหาว่าพวกเราทุ่มไปทางโลกมากมันจะปล่อยทิ้งทางธรรมเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ย้ำเตือนให้กับพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นไปทั้งสองอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะว่าชีวิตของพวกเรามันมีที่จุดจบมันที่มีที่จุดจบของชีวิตอย่างเมื่อเช้าวาน หลวงพ่อเห็นยายแก่มาตักบาสนานๆก็มาเมื่อร่างกายเป็นไปได้ก็มาตักบาตมาใส่บาตอายุแปดสิบกว่าหลวงพ่อก็ให้ความเอื้อเฟื้อผู้สูงอายุเจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อก็เออเอาไปหาหมอด้นะนี่เป็นต้นเคยมีเป็นบางครั้งแต่ตอนนี้พุทธเขามาใส่บาตเมื่อวานนะ บอกว่าหลวงพอ่อจะเลียกตามลูกของท่านหลวงพอ่อขอน้อยจะไม่ได้อยู่นานนะนะทำไมเพราะว่าพญาเทวราชมาดึงแข่งดึงขาดึงคอผู้ค่าอยู่พญายมพญาเทวราชไม่ใช่ยมบาลัดนะไม่ใช่เทวทูตวงินยายบอกว่าพญา เทวราชมาดึงแข้งดึงขาดึงคอผู้ค่าทั้งคืนเมื่อคืนเนี่เหมือนกันผู้ค่าคงจะไม่ได้อยู่นานพูดเอาจริงเอาจริงนะพอพูดพร้อมจะปากก็กระเบะไปด้วยนะจะร้องไห้ไปด้วยคล้ายๆกับว่าคงจะไม่ได้อยู่ล่ะไม่ได้อยู่นานลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อก็บอกเอ้ยภาวนานายายนะพุทโธพุทโธไม่ต้องกลัวหรอกใครจะมาไปที่ไหนใครอยู่กับพุทโธ ไปกับพุทธโธอยู่กับพุทธโธถึงเขาไปกับไปพุทธโธ ท, ทีทีน้ำโดยแต่เมื่อเชานะ้านั้นไม่เห็นใส่บาทปิดประตูเงียบเลยเอ้หงพ่อก็เลยถามว่าไกลูกหลานทั้งหลายยายไปไหนวันนี้วะน่นาน่จะปิดเงียบอยู่งั้นไม่เห็นออกมาเอา้าไม่ใช่พญาเทวราชออกไปละเหลือเนี่ยว่า หงพอกันบินบทบฏผ่านมานี่แหละสรุปแล้วก็คือชีวิตของพวกเรามันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วมันอยู่ในจุดนั้นแล้วเนี่ยมันต้องได้คิดอีกเหมือนกันนนะไม่ว่าท่านว่าเรามันต้องได้คิดไม่คิดก็ต้องได้คิดเพราะเหตุไดเพราะมันผักเข้าไปสู่หลักนั่นะว่าหลักประหารก็ว่าได้เพราะมันชีวิตของพวกเรามันต้องจนเจียนเข้าไปจุดนั้นเพราะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปควรจะเก็บหอมหลอมเล็บควรจะเก็บสะสมสังสมบุญกุศลเข้าไปเรื่อยๆอย่างวันนี้แหละอย่างที่เป็นวันพระอย่างนี้นเราก็สมาทานศินการสมาทานสินสมาทานด้วยตนเองก็ได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดวันพระวันนี้เออข้าพเจ้าจะรักษาศินห้านะวันนี้ ตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะเป็นวันธรร ม, มัชวนะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติใหอ้อุบาสิการักษาศีลไหว้พระสวดมนต์วันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าวันนี้ตลอดทั้งวันเพียงแค่นี้นก็เป็นศีลแล้วนะไม่ต้องมารับกับพระเพียงเราจะมาทานเท่านั้นเป็นศีลแล้วเพราะนั้น ทุกวันพระเราควรจะนึกอย่างนั้นต้องตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจเสมอทุกวันพระถ้าข้าพเจ้าไม่มีภารกิจธุรกิจอันหนักหนาจนเกินไปข้าพเจ้าจะรักษาสิน 5. ทุกวันพระเป็นอย่างน้อยอันนี้เกิเป็นการสั่งสมบุญกุศลสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจลหละทีละน้อยละน้อยเมื่อเราสั่งสมบุญกุศลเข้าทีละน้อย พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหมือนกับน้ำฝนตกลงมาในอากาศตกมาใส่ตุ่มของเราทีละหยดทีละหยาดต่อไปก็ตุ่มนันก็เต็มไปด้วยน้ำฝนเต็มไปด้วยน้ำอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราสั่งสมคุณงามความดีทีละน้อยละน้อยปุนกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของเราทีละน้อย แต่ตรงกันข้ามถ้าเรามีแต่คิดสังสมแต่บาปอักุศุเข้าสู่จิตใจทีละน้อยละน้อยเหมือนกันบาปอากักุศุก็บพอกพูนเหมือนกันน้ําบาปตกในตุ่มใสโองค์ใสหไหอย่างงั้นอ่ะตุ่มโองค์ไหของเราก็เต็มไปด้วยบาปอากุศุโลภโกรดหลงเต็มแน่นเอียดไปหมดเพราะฉะนั้นในสองอย่างนี้บาปให้ผลเป็นทุกข์บุญให้ผลเป็นสุข เพราะนั้นพวกเราควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราแต่ประการที่จริงการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเนี่ยมันจะทำลอยลอยไม่ได้เนะทำลอยๆยไม่ได้มันต้องเด็ดขาดพอสมควรต้องมีอธิษฐานต้องมีสัจจ์อธิษฐานอธิษฐานในจิตใจเห็นไหมพระพุทธเจ้าของเราบ่ลมครูนะเห็ท่านไปบำเพ็ญอยู่ที่ ต้นโนะพนพญามารเข้ามาลังแก่ลังควานทั้งพญามารทั้งเสนามานทั้งลูกสาวของพญามารเข้ามาลังควานเข้ามาลังแก่พระพุทธเจ้าใช้อะไรในการต่อสูนะ้ท่านใช้สัจจะท่านใช้อธิษฐานอธิษฐานบรรมีสัมปนโนคือทางจิตแน่วแน่ ข้าพเจ้าที่บำเพ็ญมาตั้งแต่นมนานตั้งจิตอธิษฐานคุณงามความดีข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวไกวแ ก, กว้งไปทางอื่นเด็ดขาดข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นนี่แหละคือน้ำประทัยของพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่เมื่อจิตแน่วแน่แล้วนัะนายพญามารก็ดีเสนามารก็ดี ลูกสาวพยามารก็ดีแต่กระจุยกระจายไปหมดเพราะอะไรเพราะเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนี้ก็เหมือนกันการจะสั่งสมคุณงามความดีทำละละเลยแหละโดยไม่มีกดไม่มีเกณฑ์มันไปยากนะมันไปยากมันไปไม่ได้พูดง่ายๆเดี๋ยวกนะยวก่าเรื่องนั้นเดี๋ยวกว่งเรื่องนี้เรื่องไม่เป็นเรื่องประเด่งประดังเข้ามาก็เลยเป็นเรื่องไปหมดผลในสุดการที่จะสั่งสมคุณงามความดีเกิดล้มเหลวไปหมด เออเหลียวแหลกไปหมดทั้งที่มันจะเป็นตุเป็นตา เ, เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราขึ้นมาโปทติสุดน้นงวดสุดท้ายที่เราจะเก็บคะแนานที่จะสั่งสมบุญกุศลโอตายข้าพเจ้าล้มเหลวในชีวิตนี้ทั้งที่ข้าพเจ้าจะตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติตั้งใจรักษาศีลประสังสมคุณงามความดีกับล้มเหลวไปหมดปล่อยปลาละเลยไปในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง นี่น่ะอันนี้ไม่ใช่แต่พวกเราท่านทั้งหลายยังมีพระที่มีอายุพันศาท่านหนึ่งหลวงพ่อไปเยี่ยมป่วยท่านที่โรงพยาบาลท่านบอกว่าผมตั้งใจออกมาปฏิบัติเมื่อเรียนปริยัติแล้วก็คงจะทำเหมือนพระองค์หลวงตามหาบัวนั่นแหละหลวงตามหาบัวมาจบได้มหาป ร, ริยัติสามท่านว่าเข้าไปเจ้าจิด ในการเรียนการศึกษาจะออกไปปฏิบัติภาวนาเท่านั้นหยุดในการเรียนจากนั้นท่านก็มาภาวนาเอาจริงจังแต่ในท่านจกขุนองค์นี้ท่านก็คงจะคิดอย่างองค์หลวงตาโนยะทำฝ่ายปริยัตพอสมควรท่า น, นก็ลาออกมาออกมาทีแรกก็เอาจริงเอาจังพอจริงจังแต่ในเรื่องของเก่าที่ท่านเคยก่อสร้างมาก่อนเคยรับภาระมาก่อน เคยทําหน้าที่มาก่อนท่านก็ภาวนาไปช่วงระยะหนึ่งมันก็เห็นเรื่องราวเกิดขึ้นแตยท่านก็เอา้าก็อสร้างไปก่อนหน่พอก่อสร้างวัดหนึ่งของตัวเองพอเป็นไปได้แล้วเอา้าไปก่อสร้างอีกวัดสองฮะพอไปก่อสร้างวัดสองท่านก็ป่วยแหมป่วยเป็นมะเร็งปอดนะแหมป่เป็นมะเร็งปอดท่านก็ป่วยที่โรงพยาบาลหลวงพ่อก็ไปเยี่ยมท่าน ท่านก็เลยบน่นออกมาเออเราเข้าใจผิดじゃแล้วเราคิดว่าจะตั้งใจภาวนาออกมาปฏิบัติแต่เราคิดว่าจะเอาดีให้พ้นทุกไปเลยแต่พอมาปฏิบัติเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เลยถล่มไปทางการก่อสร้างไปไปทางโลกเกินไปท่านก็บน่นท่านก็บน่นคล้ายๆว่ารู้สึกเสียใจจะพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิด ก็ว่าเราไปทั่งโลกไปทั่งการโครสร้างเกินไปในการเป็นอยู่ของผมท่านพูดอย่างนั้นแต่เราก็มีแต่ฟังเท่านั้นแต่ในนั้นเราก็นํามาคิดมาพิจารณาอีกเหมือนกันะเรามาเปรียบเทียบกับพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นที่ท่านพูดมาเป็นกระจกเงาสาหรับพวกเราเราจะไปคิด มุ่งหวังมุ่งทางโลกอย่างเดียวแต่พอมาใกล้หลักประหารคือใกล้มรณะภัยเข้ามาเราจะไปหาคิดว่าเราเสียเวลาในการทำเช่นนั้นเปล่าประโยชน์ทั้งที่มันจะเอาสังสมคุณงามความดีให้มากกว่านี้ดีกว่านี้ให้ถูกต้องกว่านี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย วัะ น, นั้นการที่จะสังสมคุณงามความดีการที่จะสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนะหลวงพ่อว่าต้องมีสัจจะนะถ้าเราพิจารณาให้ดีทีท่วนแล้วก็สัจจะเป็นเบื้องตน้นเมื่อมีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในจิตในใจแล้วนะเราก็จะเดินตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้นี่แหละจานี้เราจะเห็นผลผลแห่งการปฏิบัติของเรา ด้วความจริงจังและจริงใจเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะแนวความคิดที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็อย่างวันนี้ก็เป็นวันพระขึ้นแปดค่าเดือนเจ็ดจะให้พวกเรารักษาศีลไม่ใช่รักษาศีลเฉยๆนะต้องนั่งภาวนาด้วยนะนั่งภาวนาด้วยวันหนึ่งอย่างน้อยวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงเนะี่ย ในวันพระชินนี้เนะี่ยเราจะพยายามนั่งให้ได้หนึ่งชั่วโมงนั่งภาวนานั่งขัดสมาธิหามมสงบใน24สชั่วโมงนะ่ตั้งแต่ตีหนึ่งมาเนยะจนถึงหกทุ่มวันนี้เราจะพยายามนั่งให้ได้หนึ่งชั่วโมงใน24สชั่วโมงนั้นแต่ในเมื่อนั่งเสร็จแล้วเราจะมีตั้งจิตให้แน่วแน่อีกว่าในหนึ่งชั่วโมงนี้ เราจะพยายามไม่ให้จิตใจของเราออกไปข้างนอกให้อยู่กับพุทโธหรือให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาหรือให้มากที่สุดในขณะที่ข้าไปเจ้านั่งหนึ่งชั่วโมงนี้มันต้องนั่งอย่างนั้นอีกนะไม่ใช่ว่าให้นั่งได้ชั่วโมงเฉยๆนะใจเอเือรเอยลอยลมนอนหลับไปอีกต่างหากอันนั้นแปลว่าปล่อยจิตปล่อยใจถึงจะนั่งสมาธิก็เถอะแต่ว่าใจของเรา ไปทางไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นในขณะที่นั่งหนึ่งชั่วโมงนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองตลอดไม่ให้เผลอให้อยู่กับพุทธโธตลอดพูดง่ายๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธจากนั้นก็ถ้ามันเผลอไปก็ดึงกลับมาให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไม่ให้เผลอหลวงพ่อว่า เมื่อเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็คงจะเห็นผลในการปฏิบัติของเราจิตใจของเรารวมสงบแล้วทะเนนี่นั่นแหละความหมั่นขยันมันเกิดขึ้นมาได้เองเหมือนกับเด็กที่แลกพ่อแม่บังคับให้ไปเรียนเด็กมันก็ติดบ้านติดพ่อติดแม่ นี่จากพ่อแม่ร้องไห้กระจองงองแงพ่อแม่ก็เห็นคุณค่าในการศึกษาเห็นคุณค่าในการเรียนถึงจะงองแงยังไงจะกระจองงองแงร้องห่มร้องไห้ขนาดไหนพ่อแม่ก็ต้องบังคับให้ไปเรียนเพราะเหตุไรเพราะว่าพ่อแม่เห็นคุณค่าในการศึกษา อ, อพอเด็กนักเรียนใหม่ๆก็อย่างที่ว่านะร้องห่มร้องไห้แต่พอต่อไปเธอไปติดหมู่ติดเพื่อน จากนั้นก็ไปศึกษาพอไปศึกษาในะได้เรียนรู้ในโรงเรียนนะพอจากนั้นโอ้การเรียนการศึกษาเป็นอย่างนี้เองนะ่จากนั้นก็เด็กนักเรียนกับหมั่นขยันขึ้นนะพอเป็นเด็กขยันเรียนหนังสือพ่อแม่ก็บอกเอ้ยวันนี้นนลกูกช่วยงานพ่อแม่ก่อนนะพ่อแม่มีธุระที่จะให้ลูกช่วยงานซะ ก, ก่อนวันนีนะ้เด็กนักเรียนกลัวจะเรียนไม่ทันหมู่พกเพื่อนใช่ เสียเวลาในการเรียนของเขาหน้างอกีกหน้า ง, งอร้องหม่มร้องให้อยากจะไปโรงเรียนเพราะเหตุไรเพราะเราเขาเห็นผลในการเรียนกลัวจะไม่ทันเขาส่วนหนึ่งแล้วก็การเรียนรู้ของเขาอีกส่วนหนึ่งพ่อแม่มาดึงล้างให้เสียเวลาในการศึกษาของเขาอันนี้ก็ในะลักษณะเดียวกันนะ่หะใหม่ๆเราก็ต้องบังคับในการภาวนาตังการปฏิบัติ แต่พอเราเห็นผลนั่นแนะ่ะถ้าเราไม่ได้ภาวนาวันหนึ่งเนี่ยมันขาดนะยองเรามีทุระภาระอมีเรื่องราวที่จะต้องพูดคุยไปสนทนาหรือว่ามีเรื่องราวเราไม่ได้ภาวนาวันนั้นรู้สึกว่ามันขาดอมันเสียมันในความรู้สึกของเราว่ามันขาดอันใดอันหนึ่งอยู่ในจิตใจไม่บริบูรณ์เพราะเราไม่ได้ภาวนาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่ยให้พวกเราสังเกตดูนะให้ลูกพวกเราสังเกตวิว่าให้ฟังเนะี่ยอย่าเพิ่งเชื่อนะให้สังเกตอย่างนั้นก็คนที่ถามว่าเอะผมภาวนาที่ฉันภาวนามาเนะี่ยไม่รู้ว่าก้าวหน้าหรือถอยหลังอย่างไงแต่ดูๆแล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรในการก้าวหน้าถอยหลังท่านอาจารย์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติของเราเนะี่ย เออมันมันได้ผลหรือว่ามันก้าวหน้าถอยหลังหลวงพ่อก็บอกอืมอันนี้ก็คนอื่นพูดนะให้คนอื่นพูดให้ฟังเนี่ยขอม่รู้จะพูดยังไงดีให้ตัวเองสังเกตตัวเองกันแล้วกัร น, นะตั้งแต่เริ่มเข้ามาวัดใหม่ๆเราไม่เคยรักษาศีลไม่เคยไหว้พระไม่เคยนั่งภาวนาไม่เคยทำอะไรมาก่อนเหมือนกับคารวะเหมือนกรากอนเข้าวัดนะ จากนี้เราก็มานึกอยู่ในช่วงที่เข้าวัดมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มปีไหนเดือนไหนเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาบริกรรมภาวนาพุทโธดูแต่เราก็ไม่รู้ละมันได้ผลไม่ได้ผลแต่ที่เรานึกย้อนดูไอ้ตรงที่เราเข้าวัดมาเนี่ยมาถึงจุดนี้นี่ยกับก่อนหน้านี้ที่เราไม่ได้เข้าวัดมานะจิตใจเรามันห่างกันอยางไง ความรู้สึกของเรานะมันต่างกันอย่างไรมันมีความรู้สึกอย่างไรอันหนึ่งคราวนั้นนะก่อนหน้านั้นนะกับมาถึงจุดนี้นะมันเป็นยังไงแต่ถ้าว่าดูเออใช่เรายอมรับได้ว่าในขณะที่เราเข้ามาสู่วัดวาศาสนานจิตใจของเรานะมีความรู้สึกอีกอย่างหนะึ่งเป็นที่พอใจมีความสุขในใจของเรามีความเชื่อมั่นในใจของเราอันนั้นแหละ เราไม่ต้องถามใครมันก็ต้องได้ผลไม่ใช่เหรอผลมันออกมาแล้วไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามใครพ่อถามคนอื่นก็ไม่รู้จะถามยังไงเพราะมันอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นให้สังเกตอย่างนี้นะนี่แหละหลวงพ่อก็ให้ความสังเกตกับผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องถามใครให้ถามตัวเองให้สังเกตตัวเองถ้าสังเกตได้อย่างนั้นหลวงพ่อว่านั่นละ ทำคําสอนของพุทธศาสนาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือทำที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประ ส, ระสั์เข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราจะรู้แจ้งเห็นจริงในระดับที่พวกเราควรจะรู้ในการปฏิบัติของเราถ้าเราปฏิบัติจริงจังเข้าไปพวกเราก็ยิ่งจะรู้จริงเข้าไปอีกเพียงแต่ปฏิบัติเพียงแค่นี้เราก็ยังเห็นผลแค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามใครอื่นต้องสังเกตตัวเองเท่านั้นแหละ จึงจะถูกต้องนะหลวงพ่อให้ความเห็นอย่างนั้นนะตอนน่อในไปพระสงฆ์เจ้ามุทนาให้พร